นิเทศสุญญตาวิโมกเป็นอย่างไรเพอพิสุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาดังนี้ว่านามรูปนี้ว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเธอไม่ทำอภินิเวศความยึดมั่นในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมกของภิษุนั้น จึงเป็นวิโมกที่เป็นสุญญตะน้ชื่อว่าสุญญต่าวิโมกขอนันนมิตรวิโมกเป็นอย่างไรเพื่อพิสูุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่า ก, ก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาดังนี้ว่านามรูปนี้ว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเธอไม่ทำนิมิตในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้น วิโมกของภิกษุนั้นจึงเป็นวิโมกที่ไม่มีนิมิตนี้ชื่อว่า ok อนิมิตตาวิโมกอปนิหิตตาวิโมกเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาดังนี้ว่านามรูปนี้ว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเธอไม่ทําปณิธิความตั้งมั่นในนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้นวิโมกของภิกษุนั้นจึงเป็นวิโมกที่ไม่มีอัปนิหิตะนี้ชื่อว่าอัปนิหิตะวิโมกอชัตตาวุทถานวิโมกเป็นอย่างไรเพื่อฌานสี่นชื่อว่าอชัตตาวุทธานวิโมกพหิตาวุทถานวิโมกเป็นอย่างไรเพื่ออรูปปสมาบาัตสีนี้ชื่อว่าพระหิตาวุทธานวิโมก ทุพโตวุฒถานวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่น ok ิชื่อว่าทุพโตวุฒนาวิโมกวิโมกสี่จากอัชตาวุฒนาวิโมกเป็นอย่างไรคือปฐมฌานออกจากนิวรณ์ทุติยฌานออกจากวิตกวิจารณ์ตติยฌานออกจากปีติจะตุทฌานออกจากสุขและทุกข์นี้ชื่อว่าวิโมกสี่จากอัชตาวุฒนาวิโมก วิโมกสีจากพระหิทธาวุฒนาวิโมกเป็นอย่างไรเพื่ออากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจา <S <S ยตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ ออกจากอากินจัญญาญาตนะสัญญานี้ชื่อว่าวิโมกซีจากพระหิตทธาวุฒนาวิโมกวิโมกซีจากทุกขโตวุานวิโมกเป็นอย่างไรเคลโสดาปฏิมัพออกจากสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปตะปรามาจจากทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามสักกายทิชิเป็นต้นนั้น จากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสกทาคามิมักออกจากกามราคะสังโยชตปฏิฆะสังโยชตส่วนหยับๆบจากกามาราคานุใสปฏิคานุใสส่วนหยับหยับออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามกามราคะสังโยตเป็นต้นนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกอนาคามิมักออกจากกามราคะสังโยชต ปฏิฆาสังโยต์ู่วนละเอียดละเอียดจากกลามราคานุสัยปฏิฆานุสัยศูนละเอียดละเอียดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามกลามราคะสังโยตเป็นต้นนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกอรหัตตมักออกจากรูปราคะรูปราคะมานะอุทจฉอวิชามานานุสัยภวราคานุสัยและอวิชานุใส ออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามรูปราคะเป็นต้นนั้นจากขันทังหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกนี้ชื่อว่าวิโมกสีจากทุพโตวุธธานาวิโมกวิโมกสีอนุโลมตามอชัชตะวุธธานวิโมกเป็นอย่างไรคือวิตกวิจารณปิติสุและเอกกระตาจิตจิตที่มีอารมณ์เดียวเพื่อประโยชน์แก่การได้ปฐมฌาน เพื่อประโยชน์แก่การได้ทุติยชาญเพื่อประโยชน์แก่การได้ตติยชาญวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาจิตเพื่อประโยชน์แก่การได้จัตุทชาญ น, นี้ชื่อว่าวิโมกซอนุโลมตามอชัตตะวุฒานะวิโมกวิโมกซอนุโลมตามพระหิทธาวุฒานะวิโมกเป็นอย่างไรคือวิตกวิจารปิติ สุขและเอกคตาจิตเพื่อประโยชน์แก่การได้อากาสานัญญาตนะสมาบัติเพื่อประโยชน์แก่การได้วิญญาณัญจาตนะสมาบัติเพื่อประโยชน์แก่การได้อาคินจัญญาตนะสมาบัติวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาจิตเพื่อประโยชน์แก่การได้เนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัตินี้ชื่อว่าวิโมกซี อนุโลมตามพระหิทธาวุฒฐาวิโมกวิโมกสีอนุโลมตามทุพโตวุฒฐาวิโมกเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเพื่อประโยชน์แกิการได้โสดาปิมัคเพื่อประโยชน์แกิการได้สกทาคามิมัคเพื่อประโยชน์เกิดการได้อนาคามิมัคอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสนาเพื่อประโยชน์แก่การได้อรหัตมักนิชื่อว่าวิโมกสอนุโลมตามทุกตโววุานาวิโมวิโมกสีระงับจากอชัตาวุานาวิโมเป็นอย่างไรคือการได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌานการได้ทุติยฌานหรือวิบากแห่งทุติยฌานการได้ตติยฌานหรือวิบากแห่งตติยฌาน การได้จตุทัชฌานหรือวิปากแห่งจตุทัชฌานนี้ชื่อว่าวิโมกซี 4, ระงับจากอชัตตะวุฒานะวิโมวิโมกซี 4, ระงับจากภิหิตาวุฒานะวิโมเป็นอย่างไรคือการได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติหรือวิปากแห่งอากาสานัญจายตนะสมาบัติการได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติ การได้อากินจัญญายตนะสมาบัติการได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหรือวิบากแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินีิชื่อว่าวิโมกซีระ ง, งับจากพระหิทธาวุฒถานวิโมกวิโมกซีระ ง, งับจากทุปโตวุฒนาวิโมกเป็นอย่างไรคือโสดาปฏิผลแห่งโสดาปฏิมา สก่ทาคามิผลแห่งสก่ทาคามิมักอนาคามิผลแห่งอนาคามิมักอรหัตตผลแห่งอรหัตมัก น, นี้ชื่อว่าวิโมกซีระ ง, งับจากทุปโตวุทฐานะวิโมกชื่อว่าวิโมกเพราะพิสุผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเพือพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้มานาการถึงนิมิสสีเขียวในภายใน ย่อมได้นีละสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเถอไว้ดีแล้วส่งจำไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้วครั้นแล้วน้อมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอกย่อมได้นีลสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเถอไว้ดีแล้วส่งจำไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้วครั้นแล้วปฏิบัติเจริญทำให้มากเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า นิมิตสีเขียวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นรูปเธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูปพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้มานาสิการถึงนิมิตสีเหลืองนิมิตสีแดงนิมิตสีขาวในภายในย่อมได้โอทาตะสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเถอไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วน้อมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอกย่อมได้โอธาตสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเถอไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วครั้นแล้วปฏิบัติเจริญทําให้มากเธอมีความคิดอย่างนี้ว่านิมิตสีขาวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นรูปเธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูปชื่อว่าวิโมเพราะพิสุผู้ได้รูปฌาน ย่อมเห็นรูปทั้งหลายอย่างนี้ชื่อว่าวิโมเพราะพิสุผู้ไม่มีความหมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอกเป็นอย่างไรเือพิสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่มนัการถึงนิมิตสีเขียวในภายในจึงไม่ได้นีและสัญญาน้อมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอกย่อมได้นีแลสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเธอไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้วครั้นแล้วปฏิบัติเจริญทำให้มากเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่มีความหมายรู้ว่าเป็นรูปในภายในนิมิตสีเขียวภายนอกนี้เป็นรูปเธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูปภิกษุบางรูปในธรรมวินนนี้ไม่มนันสการถึงนิมิตสีเหลืองนิมิตสีแดงนิมิตสีขาวในภายใน ย่อมไม่ได้โอทาตะสัญญาน้อมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอกย่อมได้โอทาตะสัญญาเธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันเือไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้วครั้นแล้วปฏิบัติเจริญทำให้มากเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าไม่มีรูปในภายในนิมิตสีขาวในภายนอกนี้เป็นรูปเธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูป ชื่อว่าวิโมเพราะภิกสุผู้ไม่มีความหมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอกอย่างนี้ชื่อว่าวิโมกเพราะภิกสุเป็นผู้น้อมไปในอารมว่างามเท่านั้นเป็นอย่างไรคือพิกสุในธรรมวิในนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดที่ 1, ที่หนึ่งที่ 3, ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเดียดเบียนอยู่เพราะเป็นผู้เจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังมีกรุณาจิตเพราะเป็นผู้เจริญกรุณาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังมีมุทิตาจิตเพราะเป็นผู้เจริญมุทิตา สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังมีอุเบกขาจิตแพรไปตลอดที่ขี้หนึ่งเพราะเป็นผู้เจริญอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังชื่อว่าวิโมเพราะพิสุเป็นผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างงามเท่านั้นอย่างนี้อากาสานันจายตนะสมาบัตวิโมเป็นอย่างไรเผอพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญา เพราะไม่มนัสการถึงนานาตัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัตด้วยมนัสการว่าอากาศไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะสมาบัตวิโมกวิญญาณัญจายตนะสมาบัตวิโมกเป็นอย่างไรเ พ, รพือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะสมาบัตโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยมนัสการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติวิโมกอากินจัญญายตนะสมาบัติวิโมกเป็นอย่างไรเกอภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะสมาบัติได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยมนาสการว่า อะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีนี้ชื่อว่าอากินจัญญายาตนะสมาบัตวิโมกเนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัตวิโมกเป็นอย่างไรเพือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงอากินจัญญายาตนะสมาบัตโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนาสมาบัตนิ้ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนสมาบัตวิโม สัญญาวเวทยิตนิโรธาสมาบัตวิโมกเป็นอย่างไรตัอภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญาญาตนาสมาบัตโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาวเวทยิตนิโรธาสมาบัตนี้ชื่อว่าสัญญาวเวทยิตนิโรธาสมาบัตวิโมกสมยะวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี่และอรูปสมาบัตสี่ชื่อว่าสมยะวิโมก อา hmm. สมายะวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพานนี้ชื่อว่าอาสมายวิโมกสามายกกะวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี Squeeze. ่และอรูปสมาบัตสี่น้ชื่อว่าสามายกกะวิโมกอาสามยกกะวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพานนี้ชื่อว่า ภาษามายุกราวิโมกุปปะวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี่และรูปปมาบาัตสีนี้ชื่อว่ากุปปะวิโมกอากุปปะวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรสสีสามัญพจนสีและนิพานนี้ชื่อว่าอา oh กุปปะวิโมกโลกิยะวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี่และรูปปัจมาบาัตสีนี้ชื่อว่าโลกิยะวิโมก โลกุตรวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพานนี้ชื่อว่าโลกุตระวิโมกสาสวาวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี่และอรูปปัจมาบัตสีนีิชื่อว่าสาสวะวิโมกอนาสวะวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพานนี้ชื่อว่าอนาสวะวิโมก สามมิสะวิโมกเป็นอย่างไรเควิโมกอันประกอบด้วยรูปนิชื่อว่าสามิสะวิโมกนิรามิสะวิโมกเป็นอย่างไรเครวิโมกที่ไม่ประกอบด้วยรูปมีชื่อว่านิรามิสะวิโมกนิรามิสนาส น, ราสนิรามิสตะระวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามั ญ, ญพจนสี่และนิพานนิชื่อว่า นิรามิสานิรามิสตระวิโมกปนิหิตะวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานส anyway. for, ouais ี่และอรูปสมาบัตสี่น้ชื่อว่าปนิหิตะวิโมกอปนิหิตะวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรสสี่สามัญผลสี่และนิพานนี้ชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกปนิหิตตปฏิปัสัตถิวิโมกเป็นอย่างไร เือการได้ปฐมฌานหรือวิปากแห่งปฐมฌานการได้เนวสัญญานาสัญญาญตนะสมาบัตหรือวิปากแห่งเนวสัญญานาสัญญาญตนะสมาบัตินี้ชื่อว่าปณิหิตตปฏิปสติวิโมกสัญญุตาวิโมกเป็นอย่างไรเพื่อฌานสี่และรูปสมาบัตสีนี้ชื่อว่าสัญญุตาวิโมกวิสัญญุตาวิโมกเป็นอย่างไร คืออริยมรรคสี่สามัญญพนสี่และนิพพานน้ชื่อว่าวิสัญญุตวิโมกเอกตตาวิโมกเป็นอย่างไรคืออริยมรรคสี่สามัญญพนสี่และนิพพานนี้ชื่อว่าเอกตตาวิโมกนานัตตวิโมกเป็นอย่างไรคือฌานสี่และอรูปปสมาบัตสีนิชื่อว่านานัตตวิโมกสัญญาวิโมกเป็นอย่างไร คือสัญญาวิโมกหนึ่งเป็นสัญญาวิโมกสิทธิ์สัญญาวิโมกสิทธิ์เป็นสัญญาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาญานญานคือการพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ยมพ้นจากนิจจสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกทุกขานุปัสสนาญานญานคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข พ้นจากสุขสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกอนาตานุปัสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา พ, พ้นจากอัตสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกนิพิทานุปัสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายพ้นจากนันทิสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมก วิราคานุปัสสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความคลายคำนัดผลจากราคะสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกนิโรทานุปัสสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความดับ้นจากสมุทยาสัญญาปฏินิจักคานุปัสสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความฉละนพ้นจากอาทานะสัญญา พเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมอ น, นิมิตตานุปาานัสสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตพ้นจากนิมิตะสัญญาพเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกอปะนิหิตานุปาานัสสนาญาณญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งพ้นจากปณิธิสัญญาพเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกสุญญาตานุปาานัสสนาญาณ ย่านคือการพิจารณาเห็นความว่างพ้นจากอภินิเวศ ส, สัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกสัญญาวิโมกหนึ่งเป็นสัญญาวิโมกสิทสัญญาวิโมกสิทเป็นสัญญาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อันนีจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากนิจจสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมก สัญตานุปัสนาญาในรูปพ้นจากอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกสัญญาวิโมกหนึ่งเป็นสัญญาวิโมกสิบสัญญาวิโมกสิบเป็นสัญญาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อณิจานุปัชนาญาในเวทนาพ้นจากนิจสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมก อ น, นิจจานุป ated, GE, AI, ัสสนาญาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุอนิจจานุปัสสนาญาในชราและมรณะพ้นจากนิจสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกสุญญตานุปัสสนาญาในชราและมรณะพ้นจากอภินิเวสสัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิโมกสัญญาวิโมกหนึ่งเป็นสัญญาวิโมกสิบ สัญญาวิโมกสิเป็นสัญญาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่าสัญญาวิโมกยาณาวิโมกเป็นอย่างไรคือยาณาวิโมกหนึ่งเป็นยาณาวิโมกสิบยาณาวิโมกสิบเป็นยาณาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้พึงเป็นอย่างไร คืออนิจจานุปัสสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ทุกขานุปัสสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสุขเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนายะถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกนิพพานุปัสสนายะถาภูตยานยะถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่านันทิความยินดี เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญานวิโมวิราคานุปัสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความคลายกำหนดพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าราคะความกำหนดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาณาวิโมนิโรธานุปัสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความดับ พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสมุทัยเหตุเกิดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกปฏินิสัคานุปัสสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความสละคืนพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอาภินิเวศความยึดมั่นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกอนิมิตตานุปัสสนายาถาภูตยาน ยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่านิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกอปนิหิตานุปัสสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าปณิทิความตั้งมั่นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมก สุญญตานุปัสนายถาภูตยานยถาภูตยานคือการพิจารณาเห็นความว่างพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอาทานะความยึดถือเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายานวิโมกยานาวิโมกหนึ่งเป็นยาณวิโมกสิบญาณวิโมกสิบเป็นญาณวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้ อนิจานุปัสสนายถาภูตยานในรูปพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกสุญญตานุปัสสนายถาภูตยานในรูปพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกญาณวิโมกหนึ่งเป็นญาณวิโมกสิบยาณวิโมกสิบเป็นญาณวิโมกหนึ่ง ด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อา น, นิจจานุปัสสนายถาภูตยานในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุอา น, นิจจานุปัสสนายถาภูตยานในชราและมรณะพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณวิโมกข์สุญญ า, านุปัสสนายถาภูตยานในชาและมรณะ คนจากความไม่รู้คือความหลงว่าอาธานะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายานวิโมกยานวิโมกหนึ่งเป็นยานวิโมกสิยานวิโมกสิเป็นยานวิโมกหนึ่งดยอํานาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่ายานวิโมกสีติสิยาววิโมกเป็นอย่างไรคือสีติสิยาววิโมกหนึ่ง เป็นสีติสิยาวิโมกสิบสีติสิยาวิโมกสิบเป็นสีติสิยาวิโมกหนึ่งโดยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรงกระวายเพราะเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโม รู้คาน Co ุปัสสนามีญาณเป็นความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกระวนกระวายเพราะสุขเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกอนาตานุปัสสนามีญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกรนโกระวายเพราะอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมก นิพธานุป okay. ัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรงกระวายเพราะนันทิวิราคานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรงกระวายเพราะราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสยาวิโมกนิโรทานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยม พ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรนกระวายเพราะสมุทัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกปฏินิจจคานุปัสสนาเป็นยามีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรงกระวายเพราะอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมก ปณิมิตานาุปัสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกโกลงกระวายเพราะนิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกอปณิหิตานุปัสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกระวงกระวายเพราะปณิทิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมก สุญญตานุปัสสนาเป็นญาณในความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกระว์กระวายเพราะอาธานะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าส ah ok ีติสิยาวิโมกสีติสิยาวิโมกหนึ่งเป็นสีติสิยาวิโมกสิบสีติสิยาวิโมกสิบเป็นสีติสิยาวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้ อ น, นิจจานุปัสสนาในรูปเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความกรงกระวายเพราะเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสีติสิยา ว, วิโมด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อ น, นิจจานุปัสสนาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุปอ น, นิจจานุปัสสนาในชราและมรณะ เป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยมพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนและความโกรวนกระวายเพราะเที่ยงเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าสีติสิยาววิโมกสีติสิยาววิโมกหนึ่งเป็นสีติสิยาววิโมกสิบสีติสิยา ว, วิโมกสิบเป็นสีติสิยา ว, วิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่าสีติสิยาววิโมก ชาณวิโมกเป็นอย่างไรเคลเนีฆะขมะย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชานเนฆะ ม, มะย่อมเผากามฉันทะให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชานบุคคลเมื่อเผาย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกเมื่อเผาให้ไหมย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมก กิเลสทั้งหลายย่อมไหม้ไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมพระอระหันย่อมเผากิเลสให้ไหม้ือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กาลังถูกเผาให้ไหม้ไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกอภิยาบดาย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาญอภิยาบาบดย่อมเผาพยาบาทให้ไหม้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาญ บุคคลเมื่อเผย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกเมื่อเผาให้ไหม่ย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกกิเลสทั้งหลายย่อมไหม้ไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมพระอรหันย่อมเผากิเลสทั้งหลายคือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กำลังถูกเผาให้ไหม้ไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมก อาโลกสัญญาย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานอาโลกะสัญญาย่อมเผาถีนมิทะให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื sí. ่อว่าฌานอวิชเคปะย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานอวิชเคปะย่อมเผาอุทจจะให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานธัมมะววัฏฐานย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌาน ะะทำมัววัฏฐานย่อมเผาวิจิกิจชาให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานยานย่อมเผาเพราะเหตุนั ote, ้นจึง um ชื่อว่าฌานยานย่อมเผาอวิชชาให้ไหมเพราะเหตุน um ั้นจึงชื um ่อว่าฌานปาโมชย์ย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานปาโมชย์ย่อมเผาอารติให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌาน ปฐมฌานย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานปฐมฌานย่อมเผานิวรณให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานอรหัตมักย่อมเผาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานอรหัตมักย่อมเผากิเลสทั้งปวงให้ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานพระอรหันต์เมื่อเผาย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฌานวิโมกเมื่อเผาให้ไหมย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกกิเลสทั้งหลายย่อมไม่ไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมพระอรหันย่อมเผากิเลสให้ไหมคือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กําลังถูกเผาให้ไหมไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชาณวิโมกนี้ชื่อว่าชาณวิโมกอนุปาทาจิตวิโมกเป็นอย่างไร คืออนุปาทาจิตวิโมกหนึ่งเป็นอนุปาทาจิตวิโมกสิทิ์อนุปาทาจิตวิโมกสิทธิ์เป็นอนุปาทาจิตวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าสุข เพราะเหตุน euh ั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกอนัตตานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกนิพพานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่านันทิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกวิราคานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าราคะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตาวิโมกนิโรทานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าสมุทัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตาวิโมกปฏินิสัคานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่าอาทานะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตาวิโมกอานิมิตตานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานว่านิมิต เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกอปนิหิตานุปัสนาญาณพ้นจากอุปาทานว่าปณิธิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกสุญญตานุปัสนาญาณพ้นจากอุปาทานว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกอนุปาทาจิตตวิโมกหนึ่งเป็นอนุปาทาจิตตวิโมกสิบ อนุปาทาจิตตวิโมกสิบเป็นอนุปาทาจิตตวิโมกหนึ่งด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อนิจจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากอุปทานว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกสุญญาณุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากอุปทานว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมก อนุปาทาจิตตวิโมกหนึ่งเป็นอนุปาทาจิตตวิโมกสิบอนุปาทาจิตตวิโมกสิบเป็นอนุปาทาจิตตวิโมกหนึ่งโดยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อนิจจานุปัสสนาญาณในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุอนิจจานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้นจากอุปท า, านว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์สุญญตานุปัสนาญาณในชราและมรณะพ้นจากอุปทานว่าอาภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมก์อนุปาทาจิตตวิโมก์หนึ่งเป็นอนุปาทาจิตตวิโมก์สิบอนุปาทาจิตตวิโมก์สิบเป็นอนุปาทาจิตตวิโมก์หนึ่งด้วยอำนาจวัตถุ และด้วยปริยายพึงเป็นอย่างนี้อนน า, น า, านิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานเท่าไรทุกขานุปาานัสสนาญาณพ้นจากอุปทานเท่าไรอนตาต า, านุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานเท่าไร นิพพานุปัสสนาญาณวิราคานุปัสสนาญาณนิโรธานุปัสสนาญาณปฏินิสัคคานุปัสสนาญาณอเนมิตตานุปัสสนาญาณอัปนิหิตานุปัสสนาญาณสุญญานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานเท่าไหร่คืออเิจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานสามทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานหนึ่ง อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสานิพพานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งวิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งนิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสปฏินิสักลานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสี่อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสามอปนิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่ง สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสาอานิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสามอะไรบ้างคือหนึ่งทิฏฐุปาทาน 2. อสีระปตุปาทานสามอตวาทุปาทานอานิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสามนี้ทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งอะไรคือกามุปาทาน ลูกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งนี้อนาตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสามอะไรบ้างคือ 1. ทิฏฐุปาทานสองศีลปตุปาทาน 3. อัอตวาทุปาทานอนาตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสนี้นิพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งอะไรคือขามุปาทาน นิพพานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งนี้วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งอะไรคือกามุปาทานวิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งนี้นิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานสี่อะไรบ้างคือหนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐุปาทานสาสีละปรตุปาทาน สอัตวาถุปาทานนิโรธานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานสี่นี้ปฏินิสัคานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานสี่อะไรบ้างคือ 1. ปรามมปาทานสองทิฏฐุปาทาน 3. าสีระปตุปาทานสอัตวาทุปาทานปฏินิสัคานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานสี่นี้ อ, อนันนมิตรานุปัสฌนาญาณพ้นจากอุปาทานสามอะไรบ้างคือหนึ่งทิฏฐุปาทานสองสีระปตุปาทานสอัอตวาทุปาทานอันนมิตรานุปัชฌนาญาณพ้นจากอุปาทานสามนี้อปนิหิตตานุปัสฌนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งอะไรคือกามุปาทานอปนิหิตตานุปัชฌนาญาณพ้นจากอุปาทานหนึ่งนี้ สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานสาอะไรบ้างคือ 1. นึ่งทิฏฐปาทานสองสีระปตุปาทานสอัตวาทุปาทานสุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปทานสามนี้ญาณสี่นี้คือ 1. อณิจานุปัสสนาญาณสองอนาตานุปัสสนาญาณสอณิมิตานุปัสสนาญาณ สสุญญตานุปาานัสนาญาณพ้นจากอุปาทานสาคือ 1. ทิฏฐุปาทาน 2. อสีะระปตุปาทาน 3. อัตวาทุปาทานญาณสีนี้คือ 1. ทุกขานุปาานัสนาญาณสนิพิทานุปาานัสนาญาณสวิราคานุปาานัสนาญาณสี่อภินิหิตานุปาานัสนาญาณ พ้นจากอุปทานหนึ่งคือกามุปาทานยานสองนี้คือหนึ่งนิโรธานุปัสนาญาณ 2. ปฏินิสักานุปัสนาญาณพ้นจากอุปทานสี่คือ 1. กามุปาทานสองทิฏฐุปาทานสามศิลปตุปาทานสอัอตวาทุปาทานนี้ชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโม พฐมภาณวาระแห่งวิโมขะกถาจบประตูสู่วิโมขสาประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการนำออกจากโลกคือ 1. การออกจากโลกมีได้เพราะพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงทั้งโดยส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายและเพราะจิตดำเนินไปในอนิมิตตธาตุ 2. การออกจากโลกมีได้เพราะทำใจให้อาถานในสังขารทั้งปวง และเพราะจิตดำเนินไปในอปนิหิตตถาทต 3. การออกจากโลกมีได้เพราะพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นฝ่ายอื่นและเพราะจิตดำเนินไปในสุญตตาทาตประตูสู่วิโมกสาประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการนำออกจากโลกเมื่อบุคคลมานัสิการโดยความไม่เที่ยงสังขารปรากฏอย่างไรเมื่อมานัสิการโดยความเป็นทุกข์ สังขารปรากฏอย่างไรเมื่อมนัสสิการโเดยความเป็นอนัตตาสังขารปรากฏอย่างไรคือเมื่อบุคคลมนัสสิการโเดยอความไม่เที่ยงสังขารปรากฏเดยอความสิ้นไปเมื่อมนัสสิการโเดือความเป็นทุกข์สังขารปรากฏเดือความเป็นภัยเมื่อมนัสสิการโเดือความเป็นอนัตตาสังขารปรากฏโดยสุญญตะเมื่อบุคคลมนัสสิการโดยความไม่เที่ยงจิตมากไปด้วยธรรมอะไร เมื่อมานสจการโดยความเป็นทุกข์จิตมากด้วยธรรมอะไรเมื่อมานสจการโดยความเป็นอนัตตาจิตมากด้วยธรรมอะไรคือเมื่อบุคคลมาณสจการโดยความไม่เที่ยงจิตมากด้วยความน้อมใจเชื่อเมื่อมานสจการโดยความเป็นทุกข์จิตมากด้วยความสงบเมื่อมานาจการโดยความเป็นอนัตตาจิตมากด้วยความรู้บุคคลผู้มาณสจการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อย่อมได้อินทรีสีอะไรผู้มนัสกรารเดูความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบย่อมได้อินทรีสีอะไรผู้มนัสกรารเดูความเป็นนัตตามากด้วยความรู้ย่อมได้อินทรีสีอะไรคือบุคคลผู้มนัสกรารเดูความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่อย่อมได้สัจทินทรีสีผู้มนัสกรารเดูความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบ ย่อมได้สมาธินีผู้มนัสการด้วยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้ย่อมได้ปัญญินีเมื่อบุคคลมนัสการด้วยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่ออินีอะไรเป็นใหญ่อินีแห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินีนั้นมีเท่าไรมีสหาชาตปัจใจเป็นอัญญมัญญปัจใจเป็นนิสยาปัจใจเป็นสัมปยุตตปั จ, จัย เป็นธรรมมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครย่อมเจริญเมื่อมานศัศสกการด้วยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่เมื่อมานศเสกการด้วยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้อินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไหร่เป็นสหาชาติปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยเป็นธรรมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครย่อมเจริญเมื่อมนัสสิการโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้อินทร์อะไรเป็นใหญ่อินทร์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทร์นั้นมีเท่าไรเป็นสหชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตะปัจจัยเป็นธรรมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครย่อมเจริญคือเมื่อบุคคลมานัตติกาลด้วยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่อสัตถินรียเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามสัตถินรียนั้นมีสีประการเป็นสหชาตะปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัย เป็นสัมปยุตบบตปัจจัยเป็นธรรมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรถเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญอินทรีย์ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิดเมื่อมนัสการด้วยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบสมาธิรีเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามสมาธิรีนั้นมีสี่ประการ เป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นอิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยเป็นธรรมีรบเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรบเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญอินทรีย์ย่อมไม่มีแสงผู้ปฏิบัติผิดเมื่อมนุษยการโดยความเป็นอนัตต์มากด้วยความรู้ปัญญีย์เป็นใหญ่ อินทรียแห่งภาวนาที่เป็นไปตามปัญญีอินทรียนั้นมีสี่ประการเป็นชาชาตะปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจั ย, เ ป, นน ย, ปจจยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยเป็นธรรมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญอินทรีย์ย่อมไม่มีแค่ผู้ปฏิบัติผิด เมื่อบุคคลมานาุการโดยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่ออินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์ น, นั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญะปัจจัยเป็นเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเป็นธรรมมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อบุคคลมนัจการโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัย เป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไรเป็นสหชาตะปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่ว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าเมื่อบุคคลมานัติกาลโดยความเป็นอนัตตามากโดยความรู้อินทรีย์อะไรเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ อินทรียแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีนั้นมีเท่าไรเป็นสหชาติปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยเป็นธรรมีรถเป็นชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือเมื่อบุคคลมนุษย์การโดยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่อ สัจทินสีเป็นใหญ่อินสีแห่งภาวนาที่เป็นไปตามสัจทินสีนั้นมีสีประการเป็นสหชาติปัจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจัยเป็นสัมปยุตตาปัจใยในเวลารู้แจ้งปัญญินสีเป็นใหญ่อินรีแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญินรีนั้นมีสีประการเป็นสหชาติปัจัยเป็นัญญมัญญปัจัย เป็นนิสยะปจจัยเป็นสัมปยุตตาปจจัยเป็นธรร ม, มีรบเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรบเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าเห็นด้วยอาการอย่างนี้แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้งเมื่อบุคคลมนุษการโดยความเป็นทุกข์ มากเ้ืยอความสงบสมาธินรีเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามสมาธินรีนั้นมีสี่ประการเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในเวลารู้แจ้งปัญญรีเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญสีนั้นมีสี่ประการเป็นสหาชาตาปัจจัย เป็นอัญญัมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจัยเป็นจำปรยุตตปัจจัยเป็นธจจนรรมมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าเห็นด้วยอาการอย่างนี้แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้ง เมื่อบุคคลมานกสืศศการด้วยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้ปัญญีซ at ีเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามปัญญีซีนั้นมีสีประการเป็นสหาชาตาปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในเวลารู้แจ้งปัญญีซีเป็นใหญ่อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญิีซีนั้นมีสีประการ เป็นจหชาตปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยเป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าเห็นด้วยอาการอย่างนี้แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้ง